Book two. n i n o One. Ruz haye hafte. Wanjan. Do shanbe. Wan angkan. Se s h a m b e Wan put. ชวันเรวันพฤหัส บ, บดีร์พเสวันศุกร์จุมอวันเสาร์เสาร์วันอาทิตย์ย็คเสสัปดาห์อาทิตย์ ห้าวตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตอัส s ูชัมเบทอยกิชัมเวันที่หนึ่งคือวันจันอัววะลินรูสดูชัมเบอัสวันที่สองคือวันอังคาร d o บุมินรูสเซชัมเบอ วันที่สามคือวันพุธเศวมินรูษชวชัมเบอัสวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีชั่ร์มินรูษพันจชัมเบอัสวันที่ห้าคือวันศุกร์พันจมินรูษจมุมเออัสวันที่หก คือวันเสาร์ ช, ชมินรูสชัมเบอวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์มินรูสเยกสหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันฮาฟเเราทำงานเพียงห้าวัน ما فقط پنج روز کار می کنیم.